บทที่สิบเจ็ดภาวรีสหายแห่งบิดาพอแล้วเดี๋ยวใครมาเห็นอโศกทวนคำนี้อยู่ในใจขณะมาถึงตำหนักตักกริลาแล้วคำนี้พอแล้วเดี๋ยวใครมาเห็นพวกผู้ชายมักได้ยินเสมอเสมอ แต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยเอาใจใส่ต่อคำนี้เท่าใดนักคงตะกรุมตะกรามหาความสำราญเบิกบานใจให้แก่ตนต่อไปความละอายในสิ่งที่ควรละอายเป็นสมบัติที่ดีของมนุษย์ประการหนึ่งดังนั้นมนุษย์จึงแสดงความรักระหว่างเพศในที่รับหูรับตาคนไม่เหมือนสัตว์โลกประเภทอื่นๆจำนวนมากที่ไม่คานึงถึงว่าใครจะเห็นใครจะดูอย่างไร ในเรื่องทํานองนี้ผู้หญิงได้ก้าวหน้าไปกว่าชายมากแม้เธอจะมีธรรมชาติที่ปิดความลับไม่ค่อยได้แต่เธอก็ไม่ชอบทําอะไรที่ประเจิดประเจินให้เป็นที่อับอายขายหน้าโลกควรจะขอบคุณนิสัยอันดีงามเรื่องนี้ของสตรีไว้ด้วยมิฉะนั้นแล้วโลกก็จะโศมมมากกว่านี้อีกอีกอย่างหนึง่งสตรีรู้สึกอยู่เสมอว่า ในการแสดงความรักก่อนถึงเวลาอันสมควรนั้นถ้ามีใครไม่เห็นข้าวเธอเป็นฝ่ายเสียหายส่วนชายมองเห็นว่าตนเป็นฝ่ายได้เปรียบจึงไม่ค่อยระวังในเรื่องนี้เท่าที่ควรแต่ในที่สุดทั้งบุรุษและสตรีก็หนีกฎแห่งธรรมชาติไปไม่พ้นกฎธรรมชาติซึ่งมักจะมีอำนาจเหนือกฎใดๆในโลกนี้ดังนั้น กฎใดก็ตามที่ถูกวางขึ้นขัดแย้งกับกฎธรรมชาติมนุษย์จึงปฏิบัติไม่ค่อยได้แต่ถ้ากฎใดวางขึ้นสอดคล้องกับธรรมชาติอำนวยตามกฎธรรมชาติมนุษย์จะยินดีปฏิบัติตามและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอบางทีได้ปฏิบัติไปก่อนที่จะรู้จักกฎเสียด้วยซ้ำไปชีวิตที่เดินตามกฎธรรมชาติจึงเป็นชีวิตที่สดชื่นเบิกบาน เหมือนการบริโภคอาหารเมื่อหิวพักผ่อนเมื่อเหนื่อยและอาบน้ำเมื่อร่างกายเหนิดอหนะ ด, ด้วยเหงือ่อคลด้วยเหตุนี้อโศกจึงอธิบายให้ชโลธราฟังว่าการแสดงความรักโดยการถูกเนื้อต้องตัวเพียงเล็กน้อยในการละเทสะอันสมควร น, นี้ไม่น่าจะคิดอะไรมากเป็นการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับความเรียกร้องของธรรมชาติ แม้จะไม่พูดเรื่องนี้มนุษย์ทั้งโลกก็ได้ทำกันอยู่แล้วขออย่างเดียวว่าอย่าให้มากเกินไปและให้เหมาะแก่กาละเทศะเท่านั้นการกระทําดังกล่าวอาจจะเป็นการผิดประเพณีของคนบางกลุ่มแต่ไม่ได้ผิดกฎธรรมชาติเลยกฎธรรมชาติซึ่งครอบคลุมชีวิตเขาอยู่การอยากอยู่ใกล้ชิดการอยากแสดงออกอะไรสักอย่างหนึง่ง ทางกายหรือวาจานั้นเป็นธรรมชาติของความรักเจ้าตัวจะเจตนาหรือไม่ก็ตามแต่คนอื่นที่ได้มองเห็นก็ยังดูออกเมื่อเป็นเช่นนี้การพยายามปิดบังซ่อนเร้นจึงเป็นความทุกข์ทรมานอย่างมากเพราะพยายามฝึกกดธรรมชาติซึ่งเวลานั้นมีอำนาจเหนือตนอยู่เมื่อใดธรรมชาติอันนั้นไม่มีแล้ว กิริยาวาจาและความโน้มนึกต่างๆก็เป็นไปเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องแซงทาให้ลาบากใจเปล่าๆความรักที่ถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมเป็นสิ่งอ่อนสลวยสวยงามนุ่มนวลและมีความละเมียดละไมแทรกซึมอยู่ทุกอิริยาบถเป็นสิ่งสูงส่งอันหนึ่งที่ธรรมชาติได้ประทานให้เป็นสมบัติของมนุษย์ ผู้ยังคล่องอยู่ในโลกีเมื่อใดชโลทราคำหนึงถึงอโศกและเรื่องราวที่เกิดขึ้นแก่เธอในราตรีนั้นเธอจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่านี่หรือคือความรักนี่หรือชีวิตนี่หรือสุขสัมผัสที่มนุษย์พากาันมุ่งมองและสแสวงหาเธอรู้สึกตื่นเต้นต่อสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแก่เธอแน่นอนทีเดียว ความใหม่คือความแปลกความจริงเรื่องทํานองนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับโลกมันเกิดขึ้นซ้ำซ้ำซากๆกมาเป็นแสนแสนปีมันแปลกสำหรับคนไม่เคยแต่เธอจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อเธอเพิ่งจะเดินทางสายนี้มาเพียงนิดเดียวเท่านั้นว่าบนเส้นทางสายนี้จะมีดอกไม้และเรียวหนามอยู่ตรงใดบ้างบัดนี้เธอได้ก้าวมาสู่เส้นทางรักแล้ว เส้นทางรักซึ่งในระยะแรกมักจะอบอวนไปด้วยความหวังกระคนความลังเลใจหวังว่าจะได้รับความสุขอันเต็มเปี่ยมซึ่งเขาผู้นั้นเป็นผู้หลังให้ลังเลใจว่าเขาจะทนุถนอมเธอตลอดไปหรือไม่ความหวังอันหนึ่งของสตรีเมื่อมีความรักและแต่งงานคือหวังว่าเทาเป็นของตนเพียงผู้เดียว ไม่เอาใจไปเผื่อแผ่กับใครอีกแต่ก็มีสตรีน้อยคนนะักที่จะสมหวังในเรื่องนี้มีสตรีน้อยคนเหลือเกินที่จะประสบโชคดีในเรื่องนี้ผู้ชายเป็นเพศที่ชอบริเริ่มเขามีได้ริเริ่มเฉพาะเรื่องอื่นๆเท่านั้นแม้ในเรื่องรักรักใกล้เขาก็ชอบริเริ่มด้วยเหมือนกันส่วนสตรีนั้นไม่ชอบริเริ่มอะไรแต่ชอบคุ้มครองรักษา อะไรที่เธอได้มาแล้วมักจะคุ้มครองรักษาด้วยดีรวมทั้งคุ้มครองรักษาความรักและคนที่ตนรักอีกด้วยวันหนึ่งอโศกและศีครินไปหาชาโลธราและชาลินีศีครินแยกไปหาชาลินีอโศกจึงแยก หาชโลทาราเพียงผู้เดียวเมื่อก้าวเข้าไปทีแรกก็มองไม่เห็นใครแต่เมื่อเดินเข้าไปจวนจะถึงตัวเรือนอยู่แล้วจึงเห็นชายสูงอายุผู้หนึ่งนั่งอยู่อโศกเข้าใจว่าผู้ชายนี้น่าจะเป็นบิดาของชโลทาราหญิงสาวสั่งนักหนาว่าอย่าไปพบกับบิดานางแม้อโศกจะมองไม่เห็นเหตุผลแต่ก็ต้องเชื่อนางไว้ก่อน เขาตั้งใจจะหันหลังกลับไปบ้านชาลินีแต่บังเอิญชายสูงอายุนั้นเหลียวมาเห็นข้าวกลั้นจะหลบเสียก็น่าเกลียดจะกลายเป็นผู้เจตนาไม่สุดจริตอโศกจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาชายผู้นั้นลุกขึ้นต้อนรับอโศกทำความเคารพโดยยกมือขึ้นไหวเจ้าของถิ่นรับไหวยอย่างสวยงามแล้วเชิญให้นั่งท่านมหาใครไม่ทราบ เขาถามข้าพเจ้ามาหาชาโลทาราอโศกตอบอ๋อเขาอุทานแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งท่านรู้จักชโลทารานานแล้วหรือนานแล้วอโศกตอบเขานิ่งไปอีกครู่หนึ่งอโศกจึงถามว่าขอโทษเถิดท่านเป็นบิดาของชโลทาราหรือชายผู้นั้นพยักหน้าแทนคำตอบ มองอโศกอย่างพินิษพิเคราะห์ท่านไม่ใช่คนถิ่นนี้เขาถามข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาตะกศิลามาจากนกครปาตาลีบุตรอโศกตอบอย่างนอบน้อมท่านต้องศึกษาอีกกี่ปีจึงจะสำเร็จเหลืออีกหกเดือนเท่านั้นดีมากเขาพูดเหมือนไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะักขนาดนั้นเขาสังเกตเห็นเครื่องประดับบางอย่างในตัวอโศก ซึ่งโดยปกติเมื่ออยู่สำนักตั ก, กศิลาเขาไม่ได้ใช้เลยแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรอโศกจึงเอาติดตัวมาด้วยชายชารามีอาการตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วระ ง, งับเสียขอโทษท่านเป็นวันนะอะไรเขาถามข้าพเจ้าเป็นไวยศยะอโศกตอบเขายิ้มนิดหนึ่งก่อนพูดว่าท่านน่าจะพูดไม่ตรงกับความจริง เรื่องประดับในตัวท่านฟ้องตัวเองอยู่ว่าท่านมิใช่วันนะไวยยะมีอะไรในตัวข้าพเจ้าหรืออโศกตอบได้ความชฉงนกําไลมือและธรรมรงที่ท่านสวมอยู่นั้นเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์มารยะหรือโมรยะแห่งนครปาตาลีบุตรมีลวดลายยูงลำแพนคนวันนะอื่น จะไม่มีสิทธิ์สวมกําไรข้อมืออย่างนี้ได้และจะรู้ได้เฉพาะในวันนากษตรด้วยกันเท่านั้นอโศกงงงงต่อคำกล่าวของท่านผู้นั้นมากเขานึกไม่ถึงเลยว่าบิดาของชโลทราจะรอบรู้ถึงปานนี้ชรอยท่านผู้นี้จะมีเบื้องหลังอันน่าสนใจกระมังเขาคิดอยู่ในใจครู่หนึ่งผ่านไปอโศกจึงถามว่าท่านเป็นวันนากษตรหรือ ท่านผู้นั้นยังไม่ทันตอบพอดีชโลทะลาเดินออกมาจากหลังบ้านหอบผักและผละไม้หลายอย่างมาเต็มหอบเมื่อเห็นอโศกนั่งสนทนาอยู่กับบิดาเธอรู้สึกตกใจมากแต่ข่มความสะทกสะทานอันนั้นเสียทำความเคารพอโศกแล้วนั่งเฉยอยู่ด้วยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรในที่สุดเธอก็พูดทําลายความเงียบขึ้นว่าท่านมานานแล้วหรือ ไม่นานนักแต่ก็ไม่เร็วเกินไปอโศกตอบบิดาของหญิงสาวอมยิม้มแล้วขอตัวบอกว่ามีธุระจะออกไปข้างนอกสักครู่หนึ่งแล้วจะกลับมาเมื่อบิดาออกไปชโลทาราจึงถามอโศกว่าท่านสนทนาอะไรกับบิดาบ้างขาพเจ้าบอกท่านว่าขาพเจ้ารักชโลธราอโศกตอบท่านพูดอย่างนั้นจริงหรือจริงสิ อโศกยืนยันแล้วพิดาว่าอย่างไรชโลทาราถามท่านถามว่าเชโลทารารักข้าพเจ้าหรือไม่แล้วท่านตอบไปว่าอย่างไรข้าพเจ้าตอบว่าไม่ทราบอาจจะไม่รักอโศกพูดอมยิ้มอย่างร่าเริงท่านแต่งเรื่องเก่งมากชโลทรายาวและทั้งสองก็หัวเราะ อ, ออกมาพร้อมกัน ท่านไม่ทราบเรื่องบิดาของท่านเลยหรืออโศกถามเรื่องอะไรเรื่องชีวิตในอดีตของบิดาท่านไม่ทราบเลยเชโลทราตอบสีหน้าสลดลงเล็กน้อยท่านบิดาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยเรื่องมารดาข้าพเจ้าก็ไม่ทราบดวงอาทิตย์ โคจรไปอยู่ข้อนฟ้าด้านตะวันตกแล้วแสงแดดซึ่งแผดจ้ามาตลอดวันได้อ่อนแสงลมลมเย็นพัดอยู่ไม่ขาดระยะบิดาของชโลทลาจึงกลับมาสองหนุ่มสาวยังนั่งสงทนากันอยู่เวลานี้ชโลทลาเบาใจมากแล้วเพราะได้เห็นบิดาตนแสดงอธัธยาศัยไมยตรีกับอโศกอย่างดียิ่งภาวารีบิดาของสาวน้อย บ้านป่าบอกให้ที่ดาตนไปทำอาหารเพื่อเลี้ยงอโศกในเย็นวันนั้นเมื่อชโลทราลุกไปแล้วพาวรีจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้พบท่านขอพระคุณอย่างสูงอโศกตอบอย่างนอบน้อมข้าพเจ้าเองก็ปรารถนาจะพบท่านอยู่นานแล้วแต่พลาดกันแต่พลาดกับท่านเสียทุกครั้งพระเจ้าพินทุสาร ราชาปัตตลีบุตรทรงสำราญดีอยู่หรือภาวรีถามเมื่อข้าพเจ้ามาจากพระองค์ทรงสำราญดีภาวรียิ้มนิดหนึ่งแสดงอาการรับทราบแก้ผ้าขาวออกทรงกำไลมือของตนให้อโศกพร้อมได้พูดว่าท่านลองดูกำไลนี่สิมีรูปลักษณะและฝีมือการทำคล้ายคลึงกับของท่านใช่หรือไม่ อาโศกรับกำไรมาพิจารณาดูเป็นกำไรทองคำสุขปล่งมีรูปมยุรารํำแพนมีอักษรพอเขียนเป็นภาษาสันสกฤตปรากฏเด่นชัดอักษรพอที่ปรากฏบนกำไรนั้นไม่ใช่ชื่อข้าพเจ้าภาวรีอธิบายแต่เป็นพระนามของพระเจ้าพินทุสารพระราชาของท่าน เมื่ออโศกแสดงอาการสงสัยอย่างมากภาวรีจึงอธิบายว่ากำไรนี้พระเจ้าพินทุสานพระราชทานข้าพเจ้าสมัยที่ศึกษาอยู่นะตำหนักตะกัสรดาด้วยกันอย่าสงสัยเลยพระเจ้าพินทุสานเป็นสหายรักยของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าต้องขออภัยท่านด้วยอโศกกล่าวอย่างนอบน้อมที่กล่าวข้อความคลาดเคลื่อนไปซึ่งข้าพเจ้าบอกท่านว่า ข้าพเจ้าเป็นวันนะไวยสยะนั้นความจริงข้าพเจ้าเป็นกุมารองค์หนึ่งแห่งโมริยะวงอย่าวิตกเลยชายชะรากล่าวข้าพเจ้าเข้าใจดีท่านมาศึกษาโดยไม่ต้องการให้ใครทราบว่าท่านเป็นราชกุมารแม้ชโลทราเองซึ่งรู้จักท่านมานานแล้วก็หาทราบความจริงข้อนี้ไม่ท่านเป็นโอรสของพระเจ้าพินทุสารหรือ เมื่ออโศกรับว่าเป็นความจริงแล้วชายชราจึงเล่าเรื่องห้นหลังแต่โดยย่อให้อโศกทราบเล่าจบจึงลุกขึ้นมาโอบไหลอโศกพรางกล่าวว่าอาโศกเจ้าเป็นโอรสแห่งพระเจ้าพินทุสารพระสหายของเราก็เหมือนเป็นโอรสแห่งเราเหมือนกันเรายินดีอนุ ญ, ญาตให้เจ้าสมาคมด้วยชโลธราอย่างเสรีต่อไปนี้ ขอให้เจ้าถือที่นี่เป็นเสมือนบ้านของเจ้าเองอโศกได้ฟังดังนั้นปลื้มปิติอย่างล้นพ้นก้มลงกราบภาวรีด้วยความรู้สึกคารวะอย่างสูงเหมือนบิดาตนขณะที่อโศกกราบภาวรีอยู่นั่นเองเชโลทาราโผล่หน้าออกมาเธอเห็นภาพนั้นแล้วพิศวงใจยิ่งนักไม่ทราบจะทำประการใดจึงหลบเข้าไปภายในเรือนดังเดิม ความคิดว่าวุ่นไปต่างๆ ต, ตามประสาหญิงผู้ยาวต่อชีวิตและโลกคืนนั้นเองขณะสนทนาด้วยบุตรภาวรีชวนชโลทาราสนทนาเรื่องต่างๆพอสมควรแล้วจึงกล่าวว่าลูกรักพ่อไม่ใจร้ายก็เสมือนใจร้ายต่อลูกพ่อทราบดีว่าเจ้าต้องการทราบเรื่องแต่เบื้องหลังของตัวบ้างลูกเคยว้าวอนพ่อถามนับครั้งไม่ท่วน ลูกเคยว้าววอนถามพ่อนับครั้งไม่ทว้วแล้วถึงแม่ของลูกแต่พ่อไม่เคยเล่าให้เจ้าฟังเลยทั้งนี้เพราะเกรงว่าเมื่อทราบแล้วลูกจะเศร้าเกินไปแต่บัดนี้พ่อเห็นว่าเป็นการอันสมควรแล้วที่พ่อจะเล่าให้ลูกฟังลูกเป็นผู้ใหญ่พอแล้วลูกรักความจริงเมื่อว่าโดยชาติกำเนิดแล้วเจ้ามีชาติตระกูลที่ควรจะภูมิใจ อย่างนั้นหรือข้าพ่อชโลธราถามมองหน้าพ่อด้วยความรู้สึกอยากรู้สุดจะประมาณอย่างนั้นสิลูกภาวรีตอบแล้วนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งสายตาทอดเหมือไปเบื้องหน้าเสมือนจะสะท้อนเอาภาพชีวิตเก่าๆขึ้นมาให้หมดสิ้นและแล้วเขาก็เริ่มเล่า ว, ว่า ลูกรักพ่อเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งแห่งแคว้นวิเทหะซึ่งมีนครมิทิลาเป็นราชธานีอย่าตื่นเต้นลูกพยายามตั้งใจฟังเรื่องให้จบก่อนดังนั้นเมื่อว่าโดยตระกูลแล้วเจ้าก็นับเนื่องในราชตระกูลแห่งเจ้ากรุงมิถิลานครแห่งนิยายโบราณมากหลาย อยู่ห่างจากอโยธยาเพียงเดินทางสีวันถึงมิถิลานครนี้มีชื่อตามพระนามแห่งกษัตริย์ผู้ทรงสร้างคือพระเจ้ามิถิต่อมาเรียกกันว่าพระมหาชนกซึ่งน่าจะมีความหมายว่าเป็นผู้ต้นตั้งวงนั่นเองซึ่งน่าจะมีความหมายว่าเป็นต้นวงนั่นเองเมื่อพ่อมีอายุพอสมควรแล้ววีดาสมงพ่อ มาศึกษาศิลปศาสตร์ณสำนักตะกศิลาณที่นี้พ่อได้พบมิตรสหายที่ถูกใจมากหน้าหลายตาในจำนวนนั้นก็มีราชกุมารองคหนึ่งสนิทสนมเป็นสหายรักของพ่อคือราชกุมารพินทุสารมากุฎราชกุมารแห่งนครปาตาลีบุตรแคว้นมคตเมื่อวันจะจากสำนักศึกษาก็ได้แลกกำไรข้อมือกันไว้ พ่อก็ได้มอบกำไรอันมีเครื่องหมายราชวงศ์แห่งนครมิทิลาส่วนพินทุสารก็มอบกำไรเครื่องหมายโมริยะวงให้พ่อไว้นี่คือกำไรเครื่องหมายโมริยะวงภ์าวรีพูดพร้อมด้วยส่งกำไรมือให้ทิดาถ้าเจ้าเห็นใครใส่กำไรแบบนี้เจ้าก็รู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นั้นถือกำเนิดในราชตระกูลโมริยะแห่งนครปาตาลีบุตร กำไรนี้มีสีและลักษณะคล้ายกำไรที่อโศกสวมมาวันนี้ชโลทราพูดมองหน้าปิดาเหมือนจะถามแต่ชายชราไม่ได้ตอบคงพูดต่อไปว่าเมื่อพ่อสำเร็จการศึกษาจากตักกศิลาแล้วกลับสู่แคว้นวิเทหะได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากพระปิดาและพระมารดารวมทั้งพระปริยุลญาต และประชาชนทั้งหลายเวลานั้นพ่อรู้สึกมีความสุขเพราะได้รับการยกย่องจากคนทั้งหลายมีเกียรตในฐานะที่นับเนื่องในราชตสกูล น, นั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือสำเร็จการศึกษาจากสำนักตั ก, กาซิลาตักาิลาเป็นศูนย์กลางการศึกษามาช้านานสำนักตักาิลาเป็นวิทยาลัยที่สูงสุดในดินแดนภารตะ เมื่อเอ่ยชื่อว่าสำเร็จมาจากตักกศิลาแล้วใครๆก็พากันนิยมชมชื่นบางทีถึงกับบุคคลผู้สําเร็จการศึกษามาปลอยหลงหลายมัวเมาไปด้วยหลงวิชาหลงตัวเองว่าตนนั้นวิเศษเลิศมนุษย์ไม่มีใครเทียบเท่าและรู้ทันลูกเอ่ยทนะสมบัติหนึ่งไวสมบัติหนึ่ง วิชาสมบัติหนึ่งสามอย่างนี้มีอยู่พร้อมในบุคคลใดถ้าบุคคลนั้นไม่ระวังไม่มีความสำนึกที่ดีแล้วไปหลงไหลมัวเมามันเข้าก็จะกลายเป็นบันไดทอดลงไปหายยนะคนที่มีทรัพย์ก็มักจะทนงตนเพราะทรัพย์แล้วก็ดูถูกเย็ดยามผู้อื่นซึ่งตาต้อยยากจนกว่า คนมีวัยสมบูรณ์กําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มักจะหลงวัยสมบัติแห่งตนคนมีวิชาความรู้ทำไมควบคุมโดยศีลธรรมและมโนธรรมก็มักจะยกตนข่มผู้อื่นภาคภูมิในสถาบันการศึกษาแห่งตนว่าเลิศกว่าสถาบันการศึกษาใดๆคนบางคนเมาสถาบันเมาวิชา ลืมตัวทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารแก่ใครเลยเขาก็ยังภาคภูมิอยู่นั่นเองว่าเขาสำเร็จมาจากสถาบันอันมีเกียรติแล้วก็เยียดย้มผู้อื่นสถาบันอื่นลูกรักความเป็นจริงแล้วคนเราสำเร็จวิชาอะไรในสถาบันไหนก็ไม่สาคัญข้อสาคัญอยู่ที่ว่า เขาได้ใช้วิชาความรู้ซึ่งเขาเรียนมาให้เป็นประโยชน์เพียงใดาการวัดคุณค่าของคนที่ถูกนั้นก็จะวัดที่ผลงานของเขาคนจะเคยเป็นอะไรมาบ้างนั้นไม่สำคัญที่สำคัญอยู่ที่ทำอะไรเคยทิ้งอะไรไว้ให้เป็นมรดกของสังคมที่ตนอาศัยอยู่